สิกขาบทที่สิบเอ็ดถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญตัตปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้บวชให้สิกขมานาด้วยการให้ปริวาสิกะฉันทะณที่ไหนตอบทรงบัญญตัตนณกรุงราชครืถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปรารบภิกษุณีทุลสนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลลนันธาปวดให้สิกขานาด้วยการให้ปริวาสิกะฉันทะในสิกขาบทที่11นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสามสมุดฐานละ